เราจะต่อด้วยปัจจัยที่มีชื่อว่าอุปนิสยปัจจัยซึ่งเป็นปัจจัยลาดับที่เก้าอุปนิสยปัจจัยนั้นชื่อคล้ายๆกับนิสยปัจจัยเมื่อคําว่านิสยะแปลว่าที่อาศัยเติมอุปะเข้าไปข้างหน้าอุปะแปลวได้สองอย่างอย่างหนึ่งแปลว่าใกล้อย่างหนึ่งแปลว่าแรงสำหรับในที่นี้อุปะ ท่นให้แปลว่าแรงอุปนิสยปัจจัยจึงหมายถึงข้ออาปัจจัยคือความเป็นที่อาศัยอย่างแรงหรือแปลว่าความเป็นที่อาศัยอย่างแรงเป็นปัจจัยหรือแปลว่าทำที่มีความเป็นที่อาศัยอย่างแรงเป็นปัจจัย ที่เน้นคำว่าแรงอาศัยอย่างแรงเนี่ยเพราะเหตุว่าโดยธรรมดาความเป็นที่อาศัยในนิสยปป จ, จัยนั้นผู้อาศัยกับสิ่งที่ถูกอาศัยนั้นจะร่วมกาละคือร่วมกันกันเช่นว่าในเงื่อนไขของวัตถุปัจจัยคือข้อที่หกถึงข้อที่สิบเ็ดเนี่ยนะฮะ ระบบประสาทแล้วก็หัตถยวัตถุที่เป็นปัจจัยแก่จิตและเจติกที่ประกอบกับจิตเหล่านั้นจิตในขณะนั้นอาศัยรูปถึงแม้ว่าจะเกิดมาก่อนก็ตามแต่ว่ารูปนั้นยังคงตั้งอยู่ในขณะนั้นยังไม่ได้สิ้นสลายไปอันนี้ก็เป็นการอาศัยนัิสัยที่ไม่เรียกว่าแรงที่ไม่เรียกว่าแรงเพราะว่าต่างฝ่ายตาต่างก็ร่วมการ เป็นปัจจุบันกันอยู่แต่อุปาณิสยาปัจจัยนั้นจะเป็นลักษณะของปัจจัยที่ไม่ได้ร่วมกันกันเป็นส่วนใหญ่นะฮะที่ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่เพราะาผมขยักข้อที่เสียเอาไว้เป็นกรณีที่จะอธิบายอีกทีหนึ่งสําหรับตรงนี้นะจะพูดถึงอุปนิสัยอย่างที่เราเรียกกันในทางอุปนิสัยทั่วไปในคัมภีร์ทางศาสนาก็พูดถึงอุปนิสัยเรื่องอัตยาัยเรื่องอัติมุตเนี่ย ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของอุปนิสัยทั้งนั้นอยู่ในสายของอุปนิสัยปัจจัยทั้งสิ้นทีนี้เรามาคิดดูว่าปกติเนี่ยนิสัยปัจจัยที่กล่าวในข้อที่แปดนะวัตถุในขณะนั้นเป็นปัจจัยแก่จิตในขณะนั้นก็ดีหรือว่าเจตสิกที่อาศัยเป็นที่อาศัยของเจตสิกด้วยกันเป็นที่อาศัยของจิตซึ่งต่างคนก็ต่างปรากฏในขณะนั้น เป็นที่อาศัยเท่านั้นไม่แรงส่วนว่าจิตใดเรานึกนะะสิ่งใดที่เป็นของมีมาก่อนของเก่าแก่หรือของอยู่นอกตัวห่างไกลแต่เราสามารถจะอาศัยสิ่งนั้นได้หรือสิ่งนั้นก็ยังเป็นที่อาศัยได้เนี่ยต้องนับบารุณแรง เ, เราเทียบเหมือนกับคนที่ผูกพยาบาทหรือผูกลักกันในลักษณะก้ามพก้ามชาติ กับผูกรักกันในขณะที่เพียงแค่มีชีวิตร่วมชาติกันอยู่นะหรือเพียงแค่ว่าพอได้ใกล้ชิดได้เห็นหน้ากันก็ยังพอจะรักกันแต่ว่าพออีกข้างหนึ่งเดินทางไปสู่ที่ไกลก็เปลี่ยนใจไม่รักซะแล้วหรือละเนื้อหาได้หรือละความแค้นได้ก็ดีหรือว่าอีไฟหนึ่งตายจากโลคนี้ไปหรือตัวเองตายจากโลคนี้ไปก็ถอนความรักไปแล้วย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความรักที่รุนแรงใช่ไหม ไม่เรียกว่าเป็นความโกรธที่รุนแรง อ, อย่างบางคนพอโกรธเนี่ยใช่พ้นหน้าไปแล้วก็เลิกกันถ้ายัางประจันหน้ากันอยู่ก็เกิดความโกรธอยู่ไม่เป็นเรื่องความยาบยดเบี้ที่รุนแรงในลักษณะข้ามภข้ามชาตินะครับเพราะนั้นอันใดที่แม้ต่างการต่างเวลาต่างระยะทางกันไกลแสนไกลต่างทิศทางกันคนละที่ละทางก็ยังมีพลังมีอิทธิพลต่อ อีกสิ่งหนึ่งได้ต้องนับว่าเป็นพลังที่รุนแรง น, นี่เป็นข้อเทียบเทียบในทางจิตเนี่ยเราลองคิดด้วยดีนะว่าจิตที่เราได้สั่งสมไว้แต่อดีตชาติตั้งหลัชาติเอาแค่ว่าชาติที่แล้วเนี่ยแต่มันยังมีผลตามติดเรามาถึงปัจจุบันนี้ควรจะถือว่าเป็นที่อาศัยอย่างแรงไหม ทานแท้คเป็าที่อาศัยเนี่ยทำให้เราเกิดความเห็นจริงขึ้นมาเลยครับว่าคนเราจะมีนิสัยอย่างไรเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาต้องมีที่อาศัยและถามว่าที่อาศัยนั้นมันคืออะไรและใครเป็นผู้อาศัยความจริงมันก็คืออิทธิพลของจิตเก่ากับจิตใหม่ระหว่างจิตกับจิตนั่นเองถูกไม่ถูกเช่นเราเป็นคนโกรธง่าย สามว่ากรบง่ายนิ่อยู่ๆมีขึ้นมาเองหรอไม่ได้มีขึ้นมาเองมันอาจจะมีปัจจัยด้านอื่นเช่นอารมณ์ถึงยั่วยุนะฮะอันนี้ก็ถือเป็นปัจจัยลองๆนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่แรงแต่ที่แรงและที่เป็นตัวหลักในทางนี้ก็คือการที่เราสั่งสมผิตเอาไว้ในครั้งก่อนๆครั้งก่อนๆเนี่ยจะเป็นในชาตินี้ก็ด้วยจะเป็นในชาติก่อนก็ด้วย เราสั่งสมไว้แล้วในอดีตจิตเหล่านั้นก็ดับไปแล้วเจตจิตเหล่านั้นดับไปแล้วแต่ทําไมนิสัยเราถึงไม่ดับทําไมถึงติดเป็นนิสัยมันติดอยู่ตรงไหนอะไรมันทําให้ติดถามมานิสัยนิสัยดีไม่ดีติดอยู่ที่ไหนในตัวเราเอากล้องมาส่องเห็นไม้ม ติดอยู่ที่ปลายจมูกติดอยู่ที่ติดอยู่ที่ปลายเล็บหรือติดอยู่ที่เยื่อในกระดูกไม่มีเลยหาไม่ได้เลยอ้าวแล้วถ้าเขาถามมันติดอยู่ที่ไหนเราจะตอบว่าไงตอบเป็นภาษาบรรทุกติดอยู่ที่ไหนตอบว่าติดอยู่ที่ใจและที่ติดอยู่ที่ใจเนี่ยถึงเราจะติดใจหรือไม่ติดใจนิสัยนั้นโดยเจตนาจันนอกมันก็ไม่ยอมฟังใช่มฮะเช่น เราทั้งหลายเนี่ยผมด้วยเราก็รู้สึกว่าเราลังเกียดนิสัยบางอย่างของเราอยู่เหมือนกันนีแ่แปลว่าเราไม่ติดใจไล่ให้ไปมันก็ไม่ไปขอร้องให้ไปมันก็ไม่ไปจ้างให้ไปมันก็ไม่ไปมันติดอยู่กับเราที่มันติดนะแม้เราไม่อยากให้ติดแต่มันก็ยังติดเพราะอํานาจอันนี้แหละครับอานาจของการสั่งสมการกระทาบ่อยๆ เป็นอุปนิสัยปัจจัยอุปนิสัยบาีแปลว่าลึกก็ได้ปัจจัความเป็นที่อาศัยอย่างลึกชั้นลึกลึกและแรงจึงทําให้ติดเป็นอุปนิสัยของเราในทางดีก็มีทางไม่ดีก็มีแล้วก็อุปนิสัยเหล่านี้อยู่ในความจงใจของเราก็มีไม่อยู่ในความจงใจของเราก็มีอยู่ในความต้องการของเราก็มีไม่อยู่ในความต้องการเรียนที่พูดถึงชั้นนอก แต่ว่าไ้ชั้นในเนี่ยมันแปลว่าอยู่ในความต้องการเช่นเราเนี่ยเรามีความคิดว่าเราต้องการจะดา่าต้องการจะโกรธเขาเท่านั้นแต่มีใครคิดบ้างว่าไอ้ที่เรากระเราด่าเขาเราโกรธเขาเราคุนข้องหมองใจยอยู่เรื่อยๆบ่อยๆเนี่ยเราอยากได้นิสัยนั้นติดตัวด้วยมีใครคิดอย่างนั้นบ้างไหมไม่มีใครคิดคนที่ด่าเขาปากจัดนิสัยปากจัด เวลาด่าเขาแล้วเนี่ยตัวเองมีความมุ่งหวังปรารถนาหรือว่าอยากจะได้นิสัยนั้นไม่อยากนี่พูดถึงความคิดชั้นนอกใช่ไหมแต่กลไกของดวงจิตชั้นในนั้นนะแปลว่าอยากนี่พูดเหมือนกับตัณหาในสมุทยัยอ่ะไอที่เราอยากเนี่ยไออยากลึกๆที่มันแฝงอยู่อย่างนี้แต่เรามองไม่เห็นเนี่ยนะครับมันมีพลังมีผลที่จะทําให้เราติดสิ่งเหล่านั้นเป็นสันดานเป็นอุปนิสัยต่อมา นี่คือความเป็นมาของอุปนิสัยปัดใจทีนี้ว่าสำหรับบัณฑิตหรือสำหรับคนที่เข้าใจศาสนาหรือสำหรับคนที่อยู่ในสายทางของผู้รู้จักการอบรมตัวเองเนี่ยเขาเลือกนิสัยได้แล้วก็รู้วิธีเลือกอันนี้ก็เข้ามาสู่มุมปฏิบัติแต่พูดนิดหน่อยไม่เอาเยอะ ถามว่าทุกวันนี้นะ่ะเรามีความมุ่งหวังตั้งใจที่จะเลือกเอานิสัยดีๆใส่เสริมสร้างไว้ในสันดานของเราหรือไม่ไม่ต้องไปยักหน้าตอบผมตอบแทนได้ว่าสําหรับกรณีอย่างของเราเนี่ยเราอยากเป็นคนที่ได้นิสัยที่ดีใช่ไหมก็แรงบ้างไม่แรงบ้างเอาจริงเอาจังบ้างยังไงก็แล้วแต่เลยครับเอาความรู้สึกชา้ น, อนนอกเนี่ยเรอยาก อยากจะได้นิสัยดีๆสั่งสมนิสัยดีๆแล้วก็การทำความอยากเหล่านี้ให้ประสบความสำเร็จบางอย่างเนี่ยเราก็ทาได้รับความสำเร็จมาแล้วเช่นว่าสร้างนิสัยการอ่านเนี่ยใหม่ๆแล้วก็ฝืนฝืนนิดหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องฝืนแล้วเข้าห้องน้าเราอย่างอ่านเลยทำให้ที่บ้านผมนิสัยเหมือนกันเป๊ีตามผมไปหมดเลยครับ ลูกเต่าเราหลานทุกคนเข้าห้องน้ําเลยต้องบอกเขาเข้าห้องสมุดอ่ะเข้าห้องสมุดม่ผมก็เลยเห็นจะต้องไปหาตู้เล็กๆไว้ทั้งตู้เอาไปวางพักทั่วคราวไว้อ่านก็เลยพูดกันว่ามันไม่พอแต่แล้วแหละห้องน้ําห้องเดียวขนาดไว้ห้องนะ้ำห้องอาบน่ที่ ห้องน้ำก็ที่แยกกันอย่างที่นุ่นน่ะแต่ก็อยู่กันแค่สามคนเนี่ยทำท่าจะไม่พอนะผมรอจิวกันนานคงจะต้องสร้างเพิ่มดีไม่ดีก็อ่านห้องให้ห้องมันทำห้องสมุดเลยเข้าไปห้องเด็กก็มีกระตูนบางมีอะไรบางเอาไปห้องผมก็มีพัะตรบิดก ต่วัานไหนจะมาสอนปฐานกับปฐานวางโล่อยู่สามสีเล่มอา่าพว ก, ก็มันกลายเป็นอุปนิสัยนะก็จะเห็นว่าเด็กๆโดยใครก็ปลูกฝังได้นะค่อยๆให้เขาค่อยๆรับจิตระนิเสียนหน่อยนี่พอมันเป็นนิสัยของเราแล้วเนี่ยมันถอนยากและบางอย่างถอนไม่ได้นะถ้าอย่างถอนไม่ได้นั่นคือนิสัยที่เกิดขึ้นจากมรรคผลนี่ถอนไม่ได้ นะนี่เต็มบดีใส่ในทางดีนะถ้าเป็นนิสัยในทางที่เกิดจากโกลเกียจิธรรมดานั้นถอนได้ด้วยเหตุต่างๆกันแต่ว่ามรรคผลก็ไม่อาจที่จะไปถอนนิสัยอันเนื่องจากความไม่ดีเนี่ยได้หมดทุกอย่างคือบางอย่างมันเป็นเพียงความเคยชินเป็นการแสดงออกที่ไม่มีความรู้สึกจริงจังกับพฤติกรรมนั้น มักผลถอนไม่ได้หมดแต่ว่ า, าการละเวลาเนี่ยความจริงมันก็ไม่ใช่สักแต่ว่าการเวลาเพราะไอ้การเวลาเนี่ยมันจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรรู้ไหมที่มันล้างนิสัยได้เนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงการทําจิตอย่างอื่นให้เกิดเข้ามาแทรกถ้าสมมุติว่านานแต่เราบอกว่าเราจะถอนนิสยัยหนึ่งเนี่ยแล้วปล่อยเวลาให้ผ่านไปสิบปีแต่ว่าเราหว่างสิบปีนั้นเราก็ยัง โกรอยู่เรื่อยๆนั่นแหละถอนออกไหมไม่ออกหรือว่าในระหว่างนั้นสิปีเรานอนหลับสนิทเลยเป็นโรคนอนหลับไอ้อย่างที่ก็เป็นไงเนี้่เจ้าชายนิสาเจ้าหญิงนิสาเนี่ยและระหว่างนั้นไม่ไม่มีชาวนะจิตอย่างอื่นเข้ามาแทรกถามว่าถ้าคนคนนี้เกิดฟื้นขึ้นมาหรือไปเกิดใหม่นิสัยที่สั่งสมไว้ก่อนเป็นโรคนอนหลับเนี่ยหายไปไหมไม่หาย เพราะฉะนั้นนิสัยที่จะเข้ามาก็เพราะว่าเกิดจิตนั้นมันก็สั่งสมและถ่ายความเคยกินไว้ในจิตอื่นนะและเมื่อคำว่าถ่ายเป็นความเคยกินเมื่อให้มีเหตุปัจจัยมากระทบพับเนี่ยจิตนั้นก็จะสัมแดงอาการที่เป็นตัวของตัวเองออกมาถ้าไม่สัมแดงก็ออกเป็นอุปนิสัยอันนี้ที่มันเปลี่ยนได้เนี่ยใครเป็นตัวเปลี่ยนตอบว่านิสัยตรงกันข้ามจิตตรงกันข้ามเป็นตัวถอน กิเลสนั่นก็เป็นลูกของอุปนิสัยอย่างหนึ่งน ะ, ะแล้วก็ชานนี้ก็เป็นตัวละขม่มด้วยการข่มไว้เราเนี่ยเราก็มีความโกรธแต่เราก็มีเอาเมตตาเข้ามาแก้ใช่ไหมมาสร้างนิสัยลักษณะเมตตาก็มักไม่ค่อยไปด้วยกันนิสัยบางอย่างเนี่ยไม่ค่อยไปด้วยกันบางอย่างนั้นโดยตรงมันไม่ไปด้วยกันแต่มันไปด้วยกันในลักษณะแฝงเลน มันมันรายละเอียดมันเยอะหน่อยก็ไม่ไ ม, ไม่อักยยะความนะอย่างเป็นไปได้ไหมว่าคนคนเดียวกันจะมีบุคลิกทั้งทางเมตตาและทางโหดร้ า, ายนี่ผมพูดถึงนิสัยจริงๆไ อ, ไอ้บุคลิกไฟนอคุณมาจหมอาจจะแต่เอาพูดนิสัยจริงๆคนหนึ่งนั้นมีเมตตาสูงมากแต่คุยเดียวๆวหน้าค่อยๆกลายเป็นเสือ ก้ายเป็นคนโหดร้ายนี่เป็นไปได้ไั้ยเนี่ยจะทำท่าจะงไม่คด้ยแน่ใจเพราะเรียนบทฐานม่เสียวกลัวเสียรู้คนปัญญายผมว่าอย่างนี้นะฮะว่าไอ้ที่มันจะเลวระดับเดียวกันด้วยอากุศลคู่ปฏิปักกันไม่ได้นะหมายว่า คนคนหนึ่งเนี่ยมีเมตตากระยุงได้เมตตาอย่างทราบถึงนะอันนี้เทียบในในมุมหนึ่งให้ฟังพอคร่าวๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นในระดับเดียวกันแต่ว่าถ้าต่างระดับกันอาจจะพอได้คือเพราะว่าไอ้ความดีเนี่ยมันก็มีระดับว่าสูงขึ้นไปแค่ไหนความชัวม่วอมก็เหลือน้อยแค่นั้นใช่ไหมเราถึงเจออย่างนี้ครับเออก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วก็ ท่านผู้นี้ก็ยังไม่ตายเป็นคนรักหลานมากแล้วก็ที่บ้านก็สอกนกรรมาฐานตัวก็เข้ากรรมาฐานมีความศรัทธาเลื่อมใสดีหน้าตาเป็นบุญเป็นกุศลหน้าเลื่อมใสดได้พระาธาตุไปก็บูชาอ ย, ยังพระาธาตุเพิ่มเต็มพระอกแต่วันหนึ่งท่านก็บอกอาจารย์เนี่ยฉันไม่รู้เป็นไงฉันรักหลานนั้นมากปกติฉันไม่กล้ายุงหรอกแต่ว่าถ้ายุงกัดหลานฉันตีไม่ไหวหน้า ตีไม่ไหวหน้าตกเลยเออเป็นไปได้มัอน่ะนี่มันกลายเป็นว่ามันเอาอยัางไงกันแน่เมตตาหรือไม่เมตตานะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่ารักหลานเนี่ยก็คือว่ามันก็มีไอ้ความผูกพันเจือนะมีความผูกพันเจือมันก็เลยเป็นเหตุให้เกิด อ, อกุศลในลักษณะโครงกระด้างของบุคลิกนิสัยตัวนี้บ้างในบางอย่าง ก็เลยเป็นลักษณะอย่างนั้นผมถามว่านักบริจาคเป็นนักกอรับจ้นได้ไั้มในห้องนี้เช่นไกลเป็นต้นไม่มีนะมันเป็นไปได้นะเออนี่มันก็แปลกเพราะไอ้ทานกับการขโมยนะมันก็ละเรื่องกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่ เราจะไปตีค่าทางพฤติกรรมให้ได้เรามองในทางอุปุณิสายลึกๆเนี่ยนะว่าเขาทำอย่างเป็นทานหรือทําอย่างเป็นการลงทุนอะไรอย่างนี้นะก็ว่าไปแต่โดยสรุปแล้วก็คือในระดับเดียวกันไม่ได้ในเงื่อนไขเดียวกันของทั้งสองซี่ที่จะมาเจอกันในคนเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้ต้องมีการลดลาวาสอกกันไปในทางข้างใดข้างหนึ่งอ่าปัจจัยนี้นะ่ะน่าศึกษาพิเศษนี่ก็เลย เอยากจะบอกว่าพอเราจบเดิมพฤษธสภาเนี่ยผมจะหาโอกาสซึ่งยังไม่ต่อทันดีจะบรรยายปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเป็นพิสดารสักเรื่องหนึ่งนะปัจจัยเช่นอาอาจจะเป็นอารมณะปัจจัยหรืออุปนิสยาปัจจัยหรือนานักคณิกาขมาปัจจัยจะให้ได้เห็นว่าท่านอธิบายเป็นอะไรต่างๆจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนหมดก็กกลนารอไปก่อนก็นแล้วกันเพราะฉะนั้น เวลาที่เราทำความชั่วหรือทำความดีเนี่ยสำหรับคนเข้าใจเหตุปัจจัยแล้วจะรับผิดชอบทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างที่ผมว่าเกออะไรจมจิงมันมีหลายอย่างแต่เอาเอาส่าวนหลักเนี่ยสองอย่างคือหนึ่งอุปนิสัยสองคือกรรมวิบาก เราได้สร้างพลังกรรมพลังอุปนิสัยไว้ให้แก่ตัวเราเองถ้าสมมติว่าเราเนี่ยด่าใครนิสัยชอบด่าแต่ดา่าแล้วมันไม่เป็นเบนเบ น, นกรรมไม่ต้องไปเป็นโรคมะเร็งขึ้นที่ลิ้นแล้วให้หมอตัดลิ้นไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตปากเน่าปากห น, กหนอนอย่างในเปรตละวัตถุพูดมันก็น่าด่านะถึงแม้ว่าจิตจะเศ้าหมองใครก็จะเกลียดปากเอาบ้างมันก็แก้เขาเกลียด แต่มันไม่ใช่แค่นั้นมันมีเวรมีกรรมเราทําความดีเนี่ยบางคนเขาก็บอกเลยคือเขาก็ค่อนข้างจะเจียมเนื้อเจียมตัวบ า, บางอาจารย์บางสำนักเขาก็สอนกันเลยก็พูดตามอาจารย์ก็มีมนติการตามอาจารย์ว่ามาปฏิบัติอาจารย์ถามว่ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทําไมแต่บางคนเขาก็ซื่อชั้นทะเลาะกติบาครับ เออนี่เราก็นับถือไปอย่างะนะการทะเลาะที่บ้านเลยไม่รู้จะไปไหนเลยมาเก็บเนื้อเก็บตัวบางคนเขาบอกว่าอยากจะบรรลุมรคนี่ผ่าน อ, อย่างนี้อาจารย์ไม่ชอบอาจารย์รู้สึกแหมเครื่องไปท่านที่อาจารย์ชาบคือมาปฏิบัติเพื่อเป็นอุปนิสัยปัจจัย อ, อย่างนี้อาจารย์ชอบความจริงนําถูกไปหมดแล้วนะ ควาที่จริงจะตอบยังไงเนี่ยมันก็มันก็พอถูกแต่ว่ามันเราทอดระยะไว้เมื่อไหร่นั่นเองแต่ไอที่ใกล้ๆที่ได้แน่ก็คือทําเป็นอุปนิสัยปัจจัยไว้และอุปนิสัยเนี่ยบางทีเราก็ได้เป็นขั้นๆเห็นๆนะครับทําวันที่หนึ่งเป็นอุปนิสัยแก่วันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้านั่งก็ไม่ก็เมื่อยจิตใจมันก็ยอมลงแก่กรรมฐานมากขึ้นใช่ไหมมันเป็นอุปนิสัยเพราะงั้นการทําวิปัสสนาเนี่ย เขามุ่งผลทางอุปนิสัยปัจจัยมากกว่ากรรมปัจจัยนะเพราะว่าไอ้กรรมเนี่ยราคาไม่มีเท่าไหร่แล้วสําหรับคนที่ทําวิปัสนาทํำวิปัสนาต้องการจะไปมักผลใช่ไหมมักผลไม่ได้ไปเพื่อจะไปสแสวงหาราบการละชื่อเสียงอาหารอร่อยแต่อย่างใด<ม>คือไม่เอาอะไรเพราะฉะนั้นคนทําวิปัสนาก็คือทําเพื่อให้ได้อุปนิสัยดีข้าวอุปนิสัยชั่ว ก็ทําให้เราก้าวขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปถ้าบรรลุมรคลแล้วก็ไม่ส่งวิบากตัดวิบากโลกียาหมดได้แต่อุปนิสัยแล้วก็ใกล้นิพพานเข้าไปแต่ว่าถ้ายังเป็นโลกียะวิปัสสนาอยู่ก็อาจจะนําเกิดไปเกิดในที่ดีได้คุณภาพชีวิตอที่มีความพร้อมที่จะเจริญในทางดีขึ้นแต่ว่าคนที่เขาทําวิปัสสนาและจะต้องเกิดอีกด้วยกรรมจากวิปัสสนานั้น เขาก็มุ่งว่าขอให้เราเนี่ยได้คุณสมบัติจากกุศลของวิปัสนากรรมฐานจะได้มีคุณสมบัติแนวโน้มทางนี้ดีขึ้นใช่ไหมไม่ได้คิดว่าจะไปสนุกสนานกินอาหารนเด็ดอร่อยอะไรหรอกไม่เหมือนกับคนทคํากุศลขั้นทั่วไปอย่างที่เขาทากันทั่วไปกะ น, นั้นก็ได้มันได้ทั้งสองอย่างขอให้นึกว่าเราเนี่ยได้ทั้งสองอย่างทีนี้ถ้าถามว่า อะไรเนี่ยน่าจ ะ, สะแสวงหา ม, มากกว่ากันนี่เราพูดอย่างไม่แยกชั้นนะเราให้ค่าไหนมากกว่ากันระวางนิสัย ก, กระกำเคยตอบเคยถามตัวเองไหมว่าอะไรน่าจ ะ, ะมุ่งสแสวงมากกว่าผมบอกได้เลยว่าบางคนเนี่ยขาก็บอกว่าเ <c oughs> ขาไม่อยากจะไปต้องการไอ้เรื่อง ความอยู่ดีมีสุขเป็นเทวดาอะไรต่างๆอย่างนั้นนะฮะเพราะมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่ว่าอยากจะได้อุปนิสัยเพราะตัวที่จะคุ้มเราได้จริงๆระหว่างกุศลวิบากกับอุปนิสัยเนี่ยถามว่าเกิด อ, อะไรช่วยคิดหาตัวอย่างไปด้วยผมก็จะบอกว่าคนหนึ่งเกิดมาสวยเกิดมารวยแล้วไม่มีอุปนิสัยไม่ได้อุปนิสัย อีกคนหนึ่งเกิดมาได้ทั้งสองอย่างหรืออีกคนหนึ่งได้อุปนิสัยแต่ว่าตอนนั้นกรรมไม่ได้มาส่งผลแต่นิสัยเนี่ยมันคือมันมันอย่างนี้ฮะไอ้กรรมใดที่เราทำแล้วมุ่งเอานิสัยแล้วก็ทําอย่างต่อเ น, นื่องนิสัยมันจะประกบติดเลยเราจะไปรวยนิสัยมันก็อยู่เราจะไปจนนิสัยมันก็อยู่แต่ว่าถ้าคนทํากุศลในลักษณะแบบหยิบหยิบยงยง นิสัยมันจับเม่เคยติดเราต้องคิดดูอไปเจอปลาอาหารใส่ทำสังฆทานกับป ล, ลาอาหารลสี่องค์คนเดียวครับโดยเหตุปัจจัยบังเอิญอะไรก็แล้วแต่ถามมาได้อุปนิสัยไหมไม่ได้อุปนิสัยเว้นแต่ว่าจะไปอธิสงอธิษฐานอะไรนะฮะใช้ธรรมะที่เป็นเครื่องทุนแรงอย่างอื่นันเป็นอีกเรื่องไม่พูดถึงกับอีกคนหนึ่ง เขาทำอย่างเป็นอยูเป็นตายได้อุปนิสัยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำกับพระหลานเกิดมาเจอตะพราบุรุชนะฮะแล้วก็ใส่บาตรไปเรื่อยทุกวันเป็นอุปนิสัยสองคนนี้ไปเกิดในชาติเหนึ่งสมมุติว่าไปเกิดในสมัยพระศีอานคนหนึ่งน่ะเกิดแล้วไปได้เสวยกุศลวิบากที่ทำสังฆทานกับพระหลานครั้งเดียว ในชาตินั้นเข้าพอดีรวยตะพื้ไปเลยแต่อีกคนหนึ่งนะก็พอมีบกิจแต่มีอุปุณิสัยเสวงหาเนื้อนาบุญไอคนที่ทำกฐาหันแล้วมีอุปุณิสัยมันก็ไปเที่ยวสยมุทรทะเลเมาอะไรอาไรมาอาจจะตายแล้วตกนรกก็ได้แต่ว่าคนที่มีอุปุณิสัยเนี้ยเขาเสวงหาทำบุญกราอื่นศรัทธากฐาอื่นนั้นได้อุปณิสายแม้ว่า วิบากจะน้อยแต่เมื่ออุปนีสัยอยู่เนี่ยเขาจะต้องไปเจ้าเอกกับพระอาหารหันต์กาสักวันใช่ไหมจะ ก, กลายเป็นพวกที่อยู่ในกระ บ, บวนการลาบลาหลานจะ <c oughs> พูดกันเป็นสักนู่นน ะ, สะแสาแข่งหาพระอห ล, า, ลานและในที่สุดเขาต้องเลื่อนตัวเองได้เป็นอย่างดีดีกว่าคนเมื่อสักครู่นี้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นต้องเสาแข่งหานิสัยด้วย อันนี้เป็นภาษาที่ท่านเน้นไว้ในคัมภีร์อุปนิสัยเนี่ยเน้นไว้แเราจะพูดถึงอประวัติพระยาสาวกเนี่ยจะพูดถึงอย่างนี้บ่อยเสแวงหาอุปนิสเราก็เอานิสัยเป็นที่พึ่งและวีบากบุญนั้นก็กเอามาให้เป็นประโยชน์แก่อุปนิสัยด้วยเป็นเครื่องอนุเคราะห์ภูมิจารย์เหมือนอย่างอุปนิสัยข้อที่จะได้พูดถึงในข้อที่สี่โดยลําดับต่อไปอทีนี้ มผมแยกให้ดูสักก่อนนะว่านิสัยเนี่ยมีกูสลจิตอกุศ ล, ละจิตอัพยากตาจิตทั้งหมดนี้กูสลเป็นอุปนิสัยแก่กูสลในบาลีถ้าหา็จะดูบาลีไปด้วยท่านจะใช้คำกุริมาบริมากูสลาปจิมานังปจิมานังกูสลานะลั่นแหละนะแล้วก็แม่อกูสลก็ใล้ายๆกัน คำว่าปุริมาปุริมาที่แปลว่าก่อนๆปัจิมานางังปัจิมานังที่แปลว่าหลังหลังเนี่ยสำนวนบาลีเหมือนกันกับปนันตระปัจใจแต่ต่างกันที่ระยะห่างคืออุปนิสัยเนี่ยเป็นกุศลจิตก่อนก่อนไกลแค่ไหนก็ได้นะที่นิสัยนั้นยังไม่เสื่อมสิ้นไป แต่สำหรับอนันตรปัจจัยกับสมนันตรปัจจัยนั้นหมายถึงขณะจิตขนาก่อนเท่านั้นขนาชาติก่อนเป็นอนันตรปัจจัยไม่ได้ฟังทันน ะ, ะเพราะฉะนั้นกุศลลจิตก่อนๆเป็นอุปนิสัยแก่กุศลลจิตหลังๆแต่ที่แปลกก็คือว่ากุศลเป็นอุปนิสัยแก่อกุศลอย่างไรและกุศลเป็น อุปนิสัยแก่พยาคตะจิตยอย่างไรนี่เป็นเรื่องรายละเอียดแต่ผมจะยกตัวยอย่างให้ฟังพอเข้าใจได้ในชั้นนี้ก่อนว่าถ้ากุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลเนี่ยมันหมายความว่าคนหนึ่งได้ทำบุญสั่งสมนิสัยด้วยความถนัดจัดเจนทางกายทางวาจาเนี่ยความจริงมันอยู่ในจิตนะแต่มันมาต่ำพันกับการกแสดงออกอย่างไรเนี่ยมันก็เลยเหมือนอยู่ที่มือที่ปากแต่ไม่ใช่เราอยู่ที่จริ มันจะให้ทั้งความรู้สึกและให้ทั้งความถนัดจัดเจนแต่เวลามันถ่ายทอดมาในอากุศลเนี่ยให้ความถนัดจัดเจนแต่ไม่ให้ความรู้สึกผมต้องเคยบอกว่าคนบรรยายธรรมะเนี่ยถ้าเกิดเขาโกรธขึ้นมาจะด่าใครขึ้นมาเนี่ยเขาก็ด่าได้กล้องมันก็บรรยายธรรมะอาจจะมีการด่าได้อย่างมีหลักฐานอ้างอีกฟังดูแล้วลึกซึ้ง และทำนองเดียวกันโคนปากจัดถ้าเอาเข้ามาได้ข้อมูลเรียนธรรมะแล้วให้บรรยายเขาอาจจะบรรยายได้โอ้หน้าเลื่อมใสามากพูดคล่องใช่ไหมนี่แหละครับเขาเรียกว่าความถนัดจัดเจนนั้นไอตอนสร้างเนี่ยมันสร้างโดยจิตประเภทหนึ่งความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่เสร็จแล้วเนี่ยไอจิตความรู้สึกมันล้มไปแล้วแต่ความถนัดนั้นมัน เอาไปใช้กับความรู้สึกอื่นจิตอื่นได้แล้วไอ้ลักษณะการยักเยื้องอย่างนี้ถ้ามันข้ามพวกข้างชานที่เราดูไม่ออกแต่ว่าถ้าเราเข้าใจหลักนี้เราวิเราะหได้แต่ว่าไอ้คนที่เห็นในชาตินี้บางทีเห็นเห็นเลยครับคนที่เขียนลายมือสวยนะเขียนธรรมะก็ได้ใช่มนะเขียนด่าคนก็ได้คนที่เขียนหนังสือเก่ง เขามาเขียนหนังสือเก่งผมไม่ได้ม า, าเขียนหนังสือสวยแต่ถ่ายทอดทางการเขียนเก่งเขียนไปในทางบุญก็ได้ทางบาปก็ได้และสมมุติว่าคนคนหนึ่งจะไปหลอกคนด้วยอาการทําทีเหมือนอย่างพระแต่ตัวเองไม่ได้มีความเป็นพระสมมติงี้นะสํารวมอะไรแต่อะก็แล้วแต่แต่ความสํารวมเนี่ยเกิดขึ้นมาจากกุศลและจิต นะฮะเราจะได้การเรียนรู้แล้วแล้วก็แต่แต่ว่าเวลาไปแสดงออกอย่างในสมัยพระพุทธเจ้านี่ยมีเยอะการแสดงออกในลักษณะที่หลวงโลกก็กลายเป็นเป็นลักษณะของจิตที่เป็นอกุศลอย่างนี้และในทํานองเดียวกันคนที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยมีบุคลิกทางกายทางวาจาเป็นแบบหนึ่งเสร็จแล้วมาบวชเป็นพระไป็นพรดีเคยเจอไหมครับพระพูดจานักเลงอะ ดีไม่ดีเตะเอาง่ายๆอ่ะนี่ผมก็บังเอิญคุณกับละแต่ที่งท่านภูมิธรรสูงมากแล้วสมัยที่ผมเรียนประสานยังมีหลวงพ่อองค์หนึ่งนะเราก็รักใคร่ทันแต่ว่าท่านนักเรียนเก่าอ่ะท่านอยู่จ่าเชิงเซาวนะเวลาสนทนาทำมากกันลึกๆเนี่ยท่านขึ้นเลยนะท่านนักเรียนนี้เลยปหวอ่างเลยบางทีขึ้นแม่ขึ้นมึงขึ้นคุเออ ไอเราเห็นใหม่ๆแล้วก็ตกใจไอหลวงพ่อท่านไปอย่างนี้เราพวกเราเข้าใจเพาท่านเรียบจิตใจท่านสะอาดมากแต่ว่าติดมาจากนิสัยเก่าๆท่านเราถึงเห็นใจพราะเราดบุตรงนะฮะนี่เป็นเรื่องของการถ่ายทอดเร่อบุคลิกข้ามจิตแต่ว่าถ้าเป็นจิตประเภทเดียวกันแล้วจะถ่ายความรู้สึกมาให้เป็นอันเดียวกันและ มันมีแง่มุมอื่นอีกหลายอย่างนะไอ้ที่ว่านี่เป็นเป็ น, ปนบางแง่บางมุมแต่จะยกตัวอย่างอีกมุมหนึ่งให้ฟังบ้าการที่บุคคลละกิเลสกิเลสเป็นความรู้สึกอันหนึ่งเครื่องละกิเลสคือจิตหรือความรู้สึกอันหนึ่งนี่พูดยังไม่ต้องอ้างเป็นปรธาชญธรรมะเช่น <c oughs> เราละความโกรธความพยาบาทหรือความรู้สึกอันนั้นความรู้สึกจริงจัง ด้วยความรู้สึกเห็นใจคือเมตตาแปลว่าเมตตาละพยาบาทตรงนี้น่ะอุปนิสยปัจจัยเอาเข้ามาอยู่ในข่ายด้วยว่าการละเนี่ยเป็นผลปรากฏอันหนึ่งใช่ไหมเครื่องละเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปรากฏการณ น, นั้น เพราะฉะนั้นกิเลส ท, ที่ละที่ถูกละความที่กิเลสถูกประหารเนี่ยก็เป็นผลมาจากการประหารกิเลส ท, ทุกระดับเป็นบทบาทของอุ ป, ปนิสยปปจจัยระหว่างกุศลจิตกับอกุศลจิตในรูปของการทำลายปลูกต้นไม้ ผลคือจะเดินเติบโตเกิดมาจากการปลูกโคนต้นไม้เป็นผลในทางนําลายจากคนตัดต้นไม้หรือเครื่องม้เครื่องมือที่ตัดต้นไม้เพราะฉะนั้นการสร้างองุปนิสัยในทางดีจึงมีวัตถุประสงค์ส อ, อย่างหนึ่งทำให้เกิดความเข้มแข็งของกุศลจิตโดยลําดับต่อไปให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นให้ถนัด จ, จัดเจนยิ่งขึ้นสอง ให้เกิดพลังในทางครอบงอาอกุศลและพฤติกรรมที่เกิดจากอากุสลคืออันนี้ก็ปล่อยไม่ได้เหมือนกันนะพูดถึงว่ า, าผมถามว่าการพูดคำหยาบในความหมายที่เป็นเรื่องขององศ์จะต้องมีจิตเป็นโทสะใช่ไหมคำหยาบด้วยและจิตเป็นโทสะด้วยทีนี้ถ้าเราไม่ได้โกรธแต่ว่าเราพูดคำหยาบ ยังนับว่าดีดีไหมดีขึ้นแต่ว่าใช้ได้เลยไหมพระพุทธเจ้ายินยอมไหมว่าเออไม่เป็นไรนะใครจะแสดงธรรมะ ก, ก็อ ย, ยาบๆคล้ายๆก็พูดเไ อ, อไม่เป็นไรขอให้เจตนาเราไม่โกรธก็แล้วกันอันนี้เขาเรียกว่าข้อจํากัดทางการแสดงออกก็ต้องมีด้วยนี่หมายความว่าเวลาแก้ไขเนี่ยต้องแก้ไขความรู้สึกและจํากัดพฤติกรรมให้ได้เท่าที่จะทําได้เวลาอกุศลอ่ะเวลากุศลอะกุศลเนี่ย หรือพลังของอุปนิสัยจากกุศลเข้ามาควบคุมพลังอุปนิสัยของอภิสุจนเนี่ยจะควบคุมในขั้นอันในระดับของความรู้สึกอันหนึ่งแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมอันหนึ่งพฤติกรรมบางอย่างนั้นผูกพันกับความรู้สึกเท่านั้นพฤติกรรมบางอย่างอาจจะไปเกิดกับความรู้สึกอื่นได้ผมหมายความว่างไงเช่นพฤติกรรมฆ่าเนี่ย เกิดขึ้นกับความรู้สึกที่ดีได้ไะที่ดีที่เป็นกุศลนะค่าโดยเมตตาค่าโดยศรัทธาค่าโดยอะไรไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ได้พฤติกรรมอย่างนี้ผูกพันกับความรู้สึกอันใดอันหนึ่งที่แน่นอนแต่ว่าไอ้พฤติกรรมอย่างอื่นเนี่ยเห็นเดินท่าทางกระโดกกระเดกนี่ไม่เป็นไ ม, ไม่ผูกพันแต่ว่าในทางละเนี่ยถึงต้องละทั้งสองส่วน ออในบทบาทของวินัยในบทบาทของธรรมเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ยอมว่าไอ้บางอย่างเนี่ยมันคู่ครูไม่ได้หมดในเรื่องของพฤติกรรมเอ่ข้อนั้นน่าเป็นอันหนึ่งและมันยังมีแง่มุมอย่างอื่นอีกเยอะเชื่ตรงนี้นะผมว่าผมยกตัวอย่างในเชิงหลักการที่อยู่ในกอกายตรงนี้ไว้เท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะเพรฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอากุศลก่อนก่อ น, อนแม้ อากุศลก่อนก่อนก็เป็นอุปนิสัยแก่อากุศลจิตเป็นอุปน ah! ิสัยแก่ก <good. S 2> <1971. S 1> ุศลจิตเป็นอุปนิสัยแก่พยากระตจิตที่จิตกลางกลางอย่างจิตกลางๆเนี่ยก็ได้รับการถ่ายทอดนามาต์ได้รับการทําให้เป็นไปจากจิตที่เป็นจิตกลางกลาได้ด้วยเพราะฉะนั้นพระอรหันเนี่ยจิตท่านเป็นอพยากตะเป็นหมากริยาเพราะฉะนั้นความเคยชินที่สั่งสมไว้เมื่อจิตยังเป็นกุศลก็ยังตกทอดมาถึง สั่งสมไว้เมื่อจิตยังเป็นอกุศลอยู่ก็ถ่ายทอดไปถึงอภยกรตะจิกริยาจิตของท่านแม้อัพยกตะจิตอภยกระตะจิตในส่วนของเราหรือในส่วนของคนอื่นอันนี้ผมยกตัวอย่างในมุมอื่นบ้างแล้วกันที่เป็นช่วงหลักการยกตัวอย่างว่าการสะกดจิตนะฮะหรือการใช้ฤทธิ์เทวดามาใช้เทวฤทธิ์ตามให้คนฝัน พระพุทธเจ้าไปสะกดจิตคนบางคนเจนสะกดจิตของพลางกุฎามิตรก็ดีหรือสะกดจิตให้อารมณ์คำถานต่างๆก็ดีการสะกดจิตเป็นปัจจัยอเป็นอุ ป, ปนิสยปปจจัยทีนี้อันนี้พูดถึงว่ากรณีพระหาานจิตท่านเป็นกิริยาจิตเวลาท่านมาสะกดคนคือหมายถึงใช้พลังท่านเอาง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะ ยากเข้าใจได้แค่ไหนมุมไหนก็ได้ทั้งนั้นทำให้คนเนี่ยเกิดกุศ ล, ลจิตขึ้นนั้นชื่อว่าจิตของพระอาหารหันต์ไปกระทำผลแก่ความรู้สึกนึกคิดของคนที่เป็นบุตรชนตั้งแ่คนอื่นให้เกิดกุศ ล, ลจิตขึ้นและบางครั้งก็อาจจะทำให้เกิดอกุศลจิตซึ่งบางครั้งเนี่ยครับ ท่านทําให้เกิดกูศลจิตขั้นละเอียดขึ้นข้ออย่งชั่วขึ้นเพื่อดึงขึ้นไปสู่กูสุลจิตที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายอย่างในการแสดงธรรมอะไรอะไรเนี่ยในทรรนองแต่ตัวอย่างง่ายๆก็เช่นท่านอารับกับท่านพระนันทะเพื่อนันเพื่อจะให้ได้นำได้หนีอย่างที่สอดคล้องคือกิเลสขั้นพื้นฐานของพระนันทะอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้แปลว่านั่นคือจุดสุดท้ายแต่ว่าทําให้เกิดอกุศลเพื่อ ย, ยกระดับขึ้นไปเพราะฉะนั้นบางคนถ้าหากว่าชีวิตเขายังตกทุกข์ลาบากยากแค้นเป็นทุกข์อยู่ด้วยความเศร้าหมองโทสะหรือว่าธุกรกิจยังประสบความล้มเหลวอยู่เนี่ยแล้วก็พระไปทําให้ประสบความสาเร็จครอบครัวยังวุ่นวายยังอยู่กันไม่เย็นเป็นสุขถึงแม้จะเป็น ธรรมดาของอกุศลจิตปกติของเจ้าบ้านแต่พระก็จะต้องทําโอกาสให้เขานั้นอยู่ดีมีสุขแล้วค่อยดึงเขาขึ้นไปไปละนั้นพระอหรหันต์บางทีก็ทําให้โยมเกิดอกุศลจิตในสองเงื่อนไขคือหนึ่งเป็นกุศลจิตที่อกุศลจิตที่ค่อยยังชั่วขึ้นแล้วก็สองคืออกุศลจิตชนิดที่เป็นปัจจัยรองรับกุศล ที่เป็นเป้าหมายที่พระอาหารหันต์ต้องการจะให้โยมได้เอาละคะนี่ผมก็ยกตัวอย่างในส่วนนั้นเพียงเช่านี้นะครับมาถึงข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคือข้อสี่อุตุโพชนะปุคคลหรือบุคคลเรื อ, อนาสนะเป็นอุปนิสัยแก่ตรงนี้เห็นจะต้องแก้ไขค่าคาว่ากายและใจทิง้งจิตและเจตสิก กายและใจเปลี่ยนเป็นจิตและเจตสิกในกรณีที่สี่นี่แหละครับเป็ น, อ, ป น, น อ, อุปนิสัยภายนอกอุปนิสัยภายนอกคือหมายถึงไม่ใช่จากจิตของตัวเองนะจิตของตัวเองก็คือไอ้ที่มันจิตเราเป็นผลแก่เราอย่างนี้นะนี่เรียกข้างในอความหมายของอุปนิสัยปัใจจัยในทาง แง่มุมต่างๆเนี่ยผมไม่ยังไม่บอกในในที่นี่นะแล้วก็ถ้าไม่พูดอง ก, ก็คงไม่มีโอกาสบอกหรอกเป็นแล้ ว, วเอามาพูดอี ก, ก็จะวางหลักขอบเขตให้กว้างมากขอให้ทราบว่าขอบเขตของปัจจัยที่กว้างที่สุดคืออบปะนิสัยปัจจัยนี้แหละครับกว้างมากเราเข้าใจจากถ้อยคำอยู่เพียงแค่อุบนิศัยภายใน แค่นั้นเองแต่จริงๆลับกว้างกว่านั้นแล้วอุ ป, ปนิสัยภายนมันก็มีแง่มุมเกินกว่าที่เราเข้าใจในอีกเยอะเราเข้าใจแค่ความถนัดจัดเจนของใจนั่นเองเรียกว่าอุปนิสัยแต่ความหมายจริงๆมากกว่านั้นมากการนี้อุปนิสัยจากภายนอกนหมายความว่ายังไงว่านิสัยของเราเนี่ยที่เราได้นิสัยขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย เราอาศัยอุตุเป็นเครื่องอาานุเคราะห์ด้วยอาศัายโภชนะเป็นเครื่องอนุเคราะห์ด้วยอาศายัายบุคคลเป็นเครื่องอนุเคราะห์ด้วยแล้วก็อาศัยเสนาสนะเป็นเครื่องอนุเคราะห์ด้วยก็คือบุคคลเนี่ยเหมือนกัญญาณมิตรนะฮะอุตตุโภชนะเสนาสนะนั้นเป็นเครื่องรองรับ เป็นเครื่องรองรับคือเป็นเหมือนเป็นที่ทําการเป็เครื่องรองรับปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมบุดณาธิ์ทำให้เราเกิดกุศลหรือเกิดอกุศลเกิดความรู้จิตอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นและจิตของเราที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะแผ่พลังเป็นกระบวนการของการสร้างอุปนิสัยภายในลองคิดดูง่ายๆไงว่าเราอยากจะสร้างนิสัยอะไรสักอย่างหนึ่งให้นิสัยนั้นเกิดง่าย เรามันเราจะไปหกเมนตีลังกาอยู่กลางคีเลนต่างแดกเปลี่ยนเปียนนิสัยเกิดง่ายไห ม, มเกิดยากไอ้นิสัยอย่างที่เราต้องการน่นนะมันเกิดยากแต่ว่าถ้าเราไปหาทำเลดีๆมีอาหารเครื่องอนุเคราะห์มรมจันนั่นแหะมานถึอุบัเครื่องอนุเครานนะหนะ์อุบนิสัยที่เป็นจุดหมายปลายทางทางศาสนา เรเรียกว่าเนเ่ออนุเคราะห์ปุมะรย์แล้วก็มิตรกาลยาณมิตรก็เป็นผู้อนุเคราะห์อันหนึ่งที่มีฐานะเป็นครูเสนาสนะสังหลายเหล่านี้รวนแล้วแต่เป็นเครื่องชูช่วยให้เราได้อุปนิสัยนั้นเราครบคนที่มีอุปนิสัยอย่างไรเราก็มักจะมีนิสัยอย่างนั้นใช่ไหมใช่ ได้รับการถ่ายทอดมาจากคนอื่นทีนี้ตรงนี้เรามาวิเคราะห์ในทางสภาวธรรมเขาเหตุปัจจัยว่าเรารับนิสัยจากบุคคลอื่นคือยังไงแน่คนอื่นเขาหยิบนิสัยของเขามาใส่หัวเราตอนเราหลับบอลเรเลอะเลอตอนเราไม่เลอหรือไ ม, ไม่ได้ให้อย่างนั้นแต่จริงๆแล้วก็คือเขาถ่ายไอ้ความเสพคุณอำนาจอะไรของเขาที่เขามีอยู่เลยนะ แล้วก็ไอคนมาเกี่ยวข้องอาจจะมีความต้องการจะดูดทรัพย์เอาอุปนิสัยอย่างอุปนิสัยพุทธเจ้าไงนะเข้ามาเป็นแบบอย่างเป็นเนติก็เกิดการดูดซัพย์อันนี้ไออะไรที่เป็นกระบวนการการดูดทรัพย์ก็ไม่ยากหรอกเราเกิดความรู้สึกที่เป็นกุศลตอบรับเข้ามาใช่ไหมตอบรับเข้ามาจะรับทั้งไอวิธีการข้อปฏิบัติทุกอย่างเนี่ยครับ แล้วเมื่อเมื่อเราเกิดความรู้สึกนั้นก็ค่อยๆถ่ายพลังอยู่ในกระแสใจของเราเองเป็นลําดับต่อไปท่านจึงถือว่าบุคคลเป็นอุปนิสัยปัจจัยข้างนอกเป็นเอาบนิสัยปัจจัยข้างนอกและเสนาสนะ ก็เป็นอุปุณิสัยปัจจัยข้างนอกเป็นเครื่องเสริมตรงนี้ก็ถ้าจะให้อธิบายจริงก็แค่เสนาคณะอย่างเดียวนโอ้ยเรื่องใหญ่โตผมยกตัวอย่างเอาว่ากล่าวอย่างนี้ว่า<ม>เช่นคนอยู่ที่ไหนอย่างไรมีผลต่อนิสัยไหมมีผลคนที่อยู่แต่ละภาคแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยนะนิสัยก็แตกต่างกันไปนี่พวกเรียกว่าเราอยู่อย่างไม่ได้เลือก แล้วก็บางคนเนี่ยก็มีความผูกพันข้อแม้ด้วยเหตุเฉพาะตัวอีกมากมายหรือดูความร้อนนี่นี่ก็เห็นชัดอาหารการบริโภคนี่ก็เหมือนกันที่ท่านกล่าวอย่างเป็นเชิองอุปนิสัยเนี่ยท่านไม่ได้กล่าวซ้ำกับอาหารปัจจัยอาหารปัจจัยแค่ให้เจริญเติบโตไอ้เจริญเติบโตเนี่ยเราไปกินอะไรมันก็เจริญเติบโต แต่ว่าไอ้ของที่เราเสพเนี่ยบางทีมันผูกพันมีผลต่อนิสัยเป็นพลังต่อนิสัยว่ากินอะไรมันก็อิ่มเหมือนกันกินอะไรมันก็จะเดินเติบโ ต, ตเหมือนกันอย่างที่พูดๆแต่ว่ากินอะไรเนี่ยบางทีมันเป็นสับปายะแก่คนนั้นคนนี้ที่จะได้นิสัยได้ความเจริญในธรรมไม่เหมือนกันข้อนี้เป็นข้อหลายคนก็เข้าใจทราบเพืดีไอ้ฤดูเหมือนกัน บางคนแพ้ฤดูหนาวบางคนแพ้ฤดูฝนบางคนแพ้ฤดูร้อนอย่างผมเป็นต้นพอเข้าฤดูร้อนเนี่ยผมจะเริ่มเพลียเชื่อไหมว่าผมเพิ่งมาหายเพลียเมื่ออสต้นสัปดาห์นี้เองผมเพลียมาสามสัปดาห์อคนอื่นคงไม่รู้สึกอ่เพลียเพลียจะรู้สึกว่าสามรรถภาพหย่อนความคิดชักไม่ค่อยเฉียบคมเอาปกติ ผมก็เลยรู้สึกว่าผมต้องเอาจริงกัาจังมาเลยทำสมาธิว่างเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นวันเดียวครับหายเลยลูกฝนมันตกก็ไม่รู้นะแต้หายเลยอันนี้ก็ยังหายอยู่ก็เลยเป็นพวกที่ว่ากรรมฐานจะเดินถ้าทำอยู่ในเมืองหลวงเลยต้องติดแอรครับเลยมันจะน่าเกลียดไปหน่อย อ่ะนี่เป็นอุ ป, ปนลิสัยปัจจัยเห็นว่าเราอาจจะต้องจบมันไว้แค่นี้ก่อนมั้งเที่ยงครึ่งแล้วนะฮะปุเรชาตะแล้วก็ปัจจัยอื่นก็จะได้ว่าในการเวลาต่อไปประวัติการแปล ว, ว่าการหลังเกิด ขณะเกิดเรียกว่าปฏิสนธิการหลังจากเกิดมาแล้วเรียกว่าประวัติการออใครมีปัญหาอะไรจะเพิม่มเติมยังไงก็ได้ที่ไม่เข้าใจอะไรบางอย่างนะทำ<า>ไมถามผมถามมาไป็นไงฟังแล้วท้อไม่ยประถานท้อไห ม, มถ้าท้อผมอยังไงของท้ อ, ทอตามเลยในตอนท้ายนี่นะฮะก็ขอชวนแต่เมตตานะครับ